มีคนทางนอกมาเปล่ะนี่จะค้อนอคิดว่าจะมีแต่ภายในทางนอกก็ไม่เห็นติยกกายล่ กาก็มาตาเศ้าอันยุไก่ก็มาสายเดี๋ยวตะยุบ้า น, รนหรือทังตำบายมาเหตุวัดวันวัดีวัได้บุญหลายเดี๋ยวพอเทตกันขอพรรษาเขาพยายากทำสมาธิไม่ได้ก็ตั้งใจทานทำทานก็ตั้งใจทม มีกิจศรัทธาเราก็ตั้งใจใกตั้งใจทําจะให้พุ่นวายทางวัดใส่วัดไปทําบุญมาถึงวัดแล้วก็มาทําบุญ <c oughs> เพราะฉะนั้นของทางโลกต้องอยู่ทางนอกเวลามาวัดแต่ว่ามาทําบุญของในอย่านําออกของนอกแกนํานเข้าเครื่องโลกโลกก็ให้อยู่ทางนอกแกนํานเข้าไปยุ่งที่วัดวัดไม่ใช่ สถานที่ยุ่งวัดกายได้กลบวัดวาจาสวัดมรไวพระวัดใจนั่งดูลมเข้าลมออกเน่ยหนักภาคปฏิบัติให้มากๆเคยสั่งไว้อยู่อยู่ปักกุงก็ดีไม่ให้ทำวัดยาวไม่ทําทำวัดสั้นๆล้วก็ให้นั่งโจมมา มันกันแะอย่างฝนตกอันนี้ก็เลยบาทในวัดสว <c oughs> ด, ดมนรอยห้พระเอาไปนั่งนานๆสิบนาทียี่สิบนาทียิ่งดีแหละ <c oughs> บังคับไปในตัวแล้วไม่อยากนั่งบอกนั่งหนึ่งนาทีก็นั่งไม่ได้เวลาได้มาวัดก็พานั่งนานๆห น, น, น, น, น, น่อยจะได้มีความรู้สึกกว่า ทำบุญกับทำทานเป็นยังไงทำทานอาหารกายมันยุ่งทำบุญอาหารใจง่ายใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่ทานไม่ดูไม่เลี่ยมไม่รักษาใจไม่รักษาทำไมร่างกายรักษาเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายมันจะยุ่งแต่เรื่องนี้แหละฮะ เปนจุ้งกันอยู่นั่นเห็นไหมละ่ะทำมาอยู่เอามากินนะ่อยกินนิดหน่ยแต่ว่าไปเล่น <c oughs> ที่เยอะไเที่ยวเที่ยนู่นไปเล่นที่นี่หาเรื่องวัดเล่นกันเครืงเล่นโอ้เครื่องประดับประดายังเยอะแยะอีกเครื่องเล่นอีกไม่รู้กี่อย่างนั่นถูกไหมละ่ะคนเราชอบจุง้งเราไม่เข้าสมาธิดูไม่รู้หรอกว่าเราชอบจุ้งหรือบาปเป็นยังไงนรกเป็นยังไง ในทีด่ดูได้เห็นบุญเราก็จะรู้ว่านรกเป็นยังไงเห็นไหมมันก่อควรจิตใจก่อควรให้ใจวุ่นวายส <c oughs> นิมก่อควรจิตใจชนน <c oughs> ตะกอนก่อควรจิตใจตะกอนคือรักโลกโกรธหลงพระันหาอะไรก็ว่าไปยุ่งไปหมด <c oughs> ทางใจทำอะไรก็เดียบร้อยมา <c oughs> ไม่มีถวายทั้งกระทานมัืม <c oughs> ถ้ามีเที่ยวหน้าก็ให้ถวายตอนนี้เลยยังไม่ให้พรถ้าให้พรเราก็เป็นตบแล้วก็เลิกกันเลยโ <c oughs> ยมทานอาหารทางนอกก็เลิกกันเลยมันจะไปยุ่งไปยุ่งพระไปกวนพระทำอะไรก็ททำส ม, มาธิ ให้เข้าใจนี่พระมาอยู่ในสมาธิทั้งฉันทั้งคุยกันบางทีก็ฉันเตร็ก็รีบคุยกันโอ้ยไม่มีความละอายเลย <c oughs> ทำไมก่อนอยู่กับพ่อแม่กูบาจารย์ทำไมพระอยู่เรียบเงียบแท้โดยเฉพาะเวลาประชุมมันได้ยินเสียงไม่ได้หรอกไารมาันอเว่าดีเดี๋ยวเนี่ยเอามาเทศมันกันอ น, น่ะตัว พูดเรื่องจริงๆไม่จะพูดพูดนู่นพูดนี่นนมันกระส่งแสดงว่าใจนันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่มันสรงแสสายไปไหนมันจึงจะมาคิดดำํำดิบจะพูด <c oughs> ทั้งหลายทั้งปวงเพื่ที่จะบังคับกิเลสให้มันนิ่งเข <c oughs> <c oughs> ้าใจไหมอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตร <c oughs> เป็นไหมล่ะ <c oughs> มิตรอยู่ทา่ไหนมิตรอยู่ยังไง แล้วไม่น่าดูเลยอุบอาจารย์ไม่ได้พูดกับแขกแต่ทางใตยแต่ไม่ต้องปุยกันโอเวกโอกเวกไม่มีละอายเลยผิดทำข้อไหนคิดดูนี้อุบอาจารย์อยู่นิ่งๆแล้วเราไปหา <c oughs> พูดกับญาติกระโดม <c oughs> โอ้ยถูกดูถูกด่ามาก็แรงแล้ว ก็คือไปไหนมาไหนยมยมเ ม, ม, มื่อเคยรู้จักเวลาไปเราเคยรู้จักเราก็ไปจะพูดอยู่ปลายแถวหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้ใช่เป้่ายัางหลังนะ <c oughs> ต้องแรงกับฟังเทศวรบนัตไม่เขอรบกั็พ่อแม่ครูบาอบาจารย์จะพูดก็ต้องขอโอกาสโอกาสพ่อแม่ญาติโยมมหา ฉัน Four ALLY ั่นยังตวเาใดิมหาอยากแสดงอะไรออกมาวอะไรล่ะเราพรอโนาเวนโมตา พระขาวโตสาวะกะสังโฆสังฆนะามิมา ย, ม ย, าย่อมเสด็จบาทถ้าคนเยอะก็ให้เด็กวัดช่วยก็ได้บ่งทีก็บินธบาทเอาให้ย้อมให้แค่ไหนก็แขนแคนนั้นไม่ต้องเป็นเลือดเอาเองตามใจชอบไม่ดี ของสทานแม่ลพอควเดียวมาเห็นจะชี้สบายหา่นจุไอวันที่แย่เอาไปที่แย่จะถงโยกไปหนักนหา่เห็นดย่ะของไม่กินขนมก็ตงวนที่แย่ยกไปที่แยเราห